แสงเขียวรัศมีเขียวหรือผ้าที่ทำที่เมืองพาราณสีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองข้างสีเขียวเขียวแสงเขียวรัศมีเขียวฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอารูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเขียวอะนะ เขียวสีเขียวแสงเขียวรัศมีเขียวก็ฉนนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี่เป็นอภิพายตนะข้อที่5พวกนี้เจริญนีละกะสินเนี่ยนะเจริญนีละกะสินที่เป็นวันณกะสิลป์ที่สวยงามเนี่ยนะก็ได้ฌานนี่ก็กระสินนี้ก็ระดับฌานที่1ถึงฌานที่4นั่นเองอีกผู้หนึ่งข้อที่6เนี่ยนะมีความสําคัญในรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเหลืองหมายว่าเจริญ สีเหลืองปีตักสิเนี่ยนะปีตักสิลสีเหลืองสีเหลืองแสงเหลืองรสมีเหลืองเปรียบเหมือนดอกกัิกาเหลืองสีเหลืองแสงเหลืองรสมีเหลืองหรือว่าผ้าที่ทำที่เมืองพาราณสีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองข้างเหลืองสีเหลืองแสงเหลืองรสมีเหลืองเมชันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในรูปภายในหมายความไม่ได้เจริญสิลรูปสิลภายในร่างกายตัวเองแต่พิจารณาเห็นรูปภายนอก คือวันณากสินสีเหลืองอันนแสงเหลืองรัศมีเหลืองฉันนั้นเหมือนกันครอบงำรูปเหล่านั้นมีความสําคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตรนะนัข้อที่หกนะนะข้อที่หก็คือพวกปีตากสินเกสินสีเหลืองนั่นเองส่วนเกษิต่อไปอีกผู้หนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายในหมายความไม่ได้เจริญกรรมฐานในเกษินภายในร่างกายตัวเองแต่พิจารณาเห็นรูปภายนอกคือ กระสินภายนอกที่เป็นสีแดงสีแดงแสงแดงรัศมีแดงเปรียบเหมือนดอกฉบาแดงสีแดงแสงแดงรัศมีแดง หรือว่าผ้าที่ทำที่กรุงพาราณสีมีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองข้างแดงสีแดงแสงแดงมีรสมีแดงเม้ฉันใดผู้หนึ่งมีความสำคัญในอารูปภายในเห็นรูปภายนอกแดงสีแดงแสงแดงรัสมีแดงฉันนั้นเหมือนกันครอบงามรูปเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนาข้อที่เจ็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 สีเหลืองอ่าสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวก็ได้หรือจากกสินภายนอกสีอ่าเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวอะไรก็ได้พระองค์นั้นมีจิตเป็นสมาธิมีอุปจาระอ่าปัสมาธิมีอั ป, ปนาสมาธิประสงค์จะเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสี่อย่างไรก็ได้ขณะเดียวกันไม่ใช่เท่านั้นนะพระองค์ยังสามารถก้าวล่วงฌานแต่ละฌาน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 วิโมกข้อที่สองก็เท่ากับอภิพาญตนะข้อที่สามและข้อที่สี่นั่นเองส่วนข้อที่พิสูนน้อมใจวันนี้งามอันนี้เป็นวิโมกข้อที่สามก็เท่ากับอภิพาญตนะข้อที่5้าห8เดนี่ยนะข้อ5้าด ทนี้ต่อไปก็เลยไปอีกว่าเพราะล่วงรูปปัสสัญญาโดยประการทั้งปวงดับปฏิฆาสัญญาไม่กระทํานานตาสัญญาไว้ในใจภิกษุเข้าถึงอากาสารนัญจายตนะว่าอากาศไม่มีที่สุดอันนี้เป็นวิโมกข้อที่4วิโมกข้อที่5ก็คือก้าวล่วงอากาสารนัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณนัญจายตนะว่าวิญญาณไม่มีที่สุดนี้เป็นวิโมกข้อที่ห ก้าล่วงวิญญาณัญญายตนะโดยประการทั้งปวงก็เข้าถึงอากินจัญญายตนะอันนี้เป็นวิโมกข้อที่หกล่วงอากินจัญ ญ, ญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าเนวสัญญาณาสัญญายตนะอันนี้เป็นวิโมกข้อที่เจ็ดล่วงเนวสัญญาณาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงนิโรธสมาบัติหรือสัญญาเวดายตานิโรธดับสัญญาและเวทานาโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นวิโมกข้อที่แปดอานนท์วิโมกแปดอย่างเหล่านี้แหล วิโมก8ก็คืออนุปุพพาวิหารสมาบัติ9นั่นแหละไม่ได้ต่างกันอะไรแต่ว่าอภิพาญตนะแดนั้นก็เท่ากับวิโมกข้อหนึ่งสอสาได้สข้อเนี่ยนะได้หนึ่งสองสามส่วนวิโมก8นั้นก็คือทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติหรืออนุปุพพาวิหารสมาบัตินั่นเองอนุปุพพาวิหารสมาบัติ9ไล่ตังแต่ปะทมมชามเป็นต้นจนถึงเนวสัญญาณสัญญาญตนะเนี่ยนะทีนี้ การที่พระองค์เนี่ยนะเล่าถึงบริษัท8ว่าพระองค์ไม่ได้ขั้นครามในบริษัท8พระองค์นั้นนะนะมีจิตสงบดํารงมั่นด้วยอภิพาญตนะ8มีวิโมก8บอกว่าที่พระองค์ทําอะไรทั้งหมดพระองค์ไม่ได้กลัวและไม่ได้ทําด้วยความโง่เขลาไม่ได้ทําด้วยจิตใจที่วันไหวะนะเพื่อจะให้เล่าให้พระอนุนฟังว่าตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจอ ย, อย่างดี รงก็เลยเล่าให้พระอนนลฟังว่าดูก่อนอนุลสมัยหนึ่งเราเนี่ยนะแรกตรัสรู้พักอยู่ที่ต้นอชัชปาลนิคโครดสัปดาห์ที่8ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาในตำบลอุลุเวลาประเทศก็คือที่แถวแวพุทธคยาปัจจุบันเนี่ยนะครั้งนั้นมารผู้มีบา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 นะช่วยตัวเองได้แล้วไปรอดแต่เพียงผู้เดียวแล้วต้องเลี้ยวหลังทำไมเนี่ยนะนะต้องไปสนใจพวกอื่นหรอกปริญิพภานเถอะไปเลยอย่างั้นพระองค์เขาบอกว่าอ น, อนนท์เมื่อมารกล่าวกับเราอย่างนี้เราก็ได้กล่าวกับมารผู้มีบาปนั้นว่ามารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราเนี่ยนะนะถ้าหากว่าภิกษุเหล่านั้นยังไม่ฉลาดยังไม่ได้รับคำแนะนำ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 ปรินิพานเท่านั้นหมายคาว่าถ้าพระพิสุยังไม่เก่งพิษุนีไม่เก่งอุบาสกอุบาสิกายังไม่เก่งเพียงใดพระองค์บอกว่าพระองค์ยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นและอันสุดท้ายบอกมารผู้มีบาปพรหมจันทร์ของเรานี้ถ้าหาว่ายังไม่บริบูรณ์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 อันนี้พระองค์บอกว่าพระองค์ได้เคยบอกมานเมื่อสัปดาห์ที่8ปแรกตรัสรู้หลังจากตรัสรู้ได้ประมาณ49วัน50วันเนี่ยนะปองก็บอกว่าพระองค์ได้บอกกลับมานไว้อย่างนี้ว่าถ้าภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกายังไม่เก่งเนี่ยนะบนรรลุมรรคผลตามสอนตามข่มขี่เป็นต้นยังไม่ได้ตราบได้ไม่ยังไม่ปรินิพานหรือพรหมจารย์ยังไม่เพร่หลายก็ยังไม่ปรินิพาน อันนี้ชื ว, ว่าเชื่อมเรื่องเมื่อแรกตรัสรู้สัปดาห์ที่แปดเสร็จแล้วบอกวันนี้แหละอันนนวันนี้ก็หมายว่าวันที่อายุพระองค์มีพระชนมาายุแปดสิบเนีน่ยนะณณณที่ไหนณปาวานเจดีบอกว่าอันนนวันนี้เดี๋ยวนี้แหละมารผู้มีบาปเข้ามาหาเราที่ปาวานเจดียืนอยู่หน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กล่าวกับเราว่า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 บอกว่าตอนนั้นพรงษ์อบอกว่าพรหมจรรย์ยังไม่แพร่หลายบัตรนี้แพร่หลายแล้วปรินิพานเธอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบัตรนี้ข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญขอพระ อ, องค์จงปรินิพานขอพระสุคตปรินิพานบัตรนี้เถิดบัตรนี้บัตรนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าอ น, นุนเมื่อมารกล่าวอย่างนี้แล้วเราก็ได้กล่าวกับมารผู้มีบาปนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนมารผู้มีบาป ท่านจงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดไม่นานตถาคตจากปรินิพานล่วงจากนี้ผ่านไปอีกสามเดือนเก้าสิบวันตถาคตจากปรินิพานอานนท์วันนี้เดี๋ยวนี้แหละเมื่อกู้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารที่ปาวานเจดีพระอนุนเพิ่งตื่นมันน้งเหม้ว่าเพิ่งนึกได้อะนะอ๋อ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 อโนอนเธอเชื่ออริยมรรคยานสี่เชื่อสัพพัญยุตยานของเราหรือพาณน์นก็บอกข้าพระ อ, องค์เชื่อเมื่อเชื่อฉนัยเธอจึงรบเราตถาคตถึงสามครั้งเล่าก็เราห้ามแล้วไม่ใช่หรือเมื่อเธอเชื่อแล้วทําไมต้องรบเรากันถึงสามครั้งอ่าข้าพระ อ, องค์ได้ฟังมาตอนนี้ฉลาดแล้วนึกได้แล้ว ได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอาน o ์อิทิบาสีอันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นแล้วอบรมดีแล้วแต่ฐาคตนั้นเมื่อจำงอยู่กจ็จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับอานนต์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 ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงดำรงอยู่ตลอดกับในตอนนั้นนะนะขอพระสุคตจงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์อานนท์ถ้าเธอวิงวอนตถาคตตถาคตจะพึงห้ามวาจาของเธอสองครั้งเท่านั้นครั้งครั้งที่สมตถาคตจะพึงรับเพราะเหตุและเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เรื่องนี้เป็นการทําไม่ดี เป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวนะรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะแหมตอนแรกก็บอกโอ้ยเย้นะเราตถาคตให้นิมิตที่หยาบเนี่ยนะเพื่อจะบอกให้เธออาราธนามไม่ได้ทําอย่างนี้ครั้งนี้ครั้งเดียวอันอนนท์ครั้งหนึ่งตอนที่เราอยู่เขาคิชกูดใกล้กรุงราชเกลืกเราก็เรียกเธอมาเล่าให้เธอฟังอย่างนี้เหมือนกันที่เขาคิชกูดหรือว่าเนี่ยเราอยู่ที่โคตมะ นิโครธเมืองราชครกที่เหียวทิ้งโจรที่ถ้ำสัตบัณฑ น, นักหหาขั่งเขาเวปุราบันโพธิ์ที่กาละศิลาข้างภูเขาอิสิคิริที่เงื่อมสัปปาน ะ, ส, ะสนดีนะป่าศีตะวันหรือที่ตะปทธารามหรือที่เวลุวันกัลันตการนิวาปสถานหรือว่าที่ออชีวกัมพวันส่วนมะม่วงหมอชีวกหรือมัทะกุจฉิมริกทายาวันที่เมืองราชครกนะ ที่นั้นเนี่ยเราก็บอกเธอแล้วว่าอ น, อนนต์กรุงราชครึกหน้ารื่นรมภูเขาขิจกููรโคตามานิคโครดเหียวที่ทิ้งโจรถ้าสัตบัณคูหาข้างเขาเวภูร ะ, ะเวภารบันพศกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเงื้อมชื่อว่าสัปปานาสนิสีตะวันตะปธารามเวลุวันกัลันทกะนิวาปสถานชีวกรรมพวันมัทกุจิมริกทายวัน แต่ละแห่งเราก็บอกว่าหน้ารื่นรมและเราก็บอกอีกว่าอิทิบาสีผู้ใดเจริญแล้วเนี่ยนะถ้าประสงค์มีอายุตลอดกับหรือเกินกว่ากับและพระองค์ก็บอกว่าเราเนี่ยนะก็เจริญอิทิบาทีอย่างดีเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีถ้าประสงค์ก็ดำรงอยู่ได้ตลอดกับเราก็แสดงนิมิตให้เธอรู้เนี่ยนะที่เมืองราชจะครึกอยู่สิบครั้งนะที่เมืองราชจะครึกเนี่ยสิบครั้ง แต่เธอก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นการทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเธอผู้เดียวสิครั้งนะที่เมืองราชครึกเหมือนกันและที่เมืองภัยสาลีนี่แหละที่อุเทนเจดีโคตมกะเจดีสัตตมภะพเจดีพหุปุตตะเจดีสารันธเจดีตลอดจนถึงวันนี้ที่ปาวานเจดีที่เมืองภัยสาลีเนี่ยเราทําอย่างนี้อีก6กครั้ง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 ดูก่อนอนอน์ถ้าเธอพึงอ้อนวอนตถาคตตถาคตจะพึงห้ามวาจาเถอเสียสองครั้งเท่านั้นครั้งที่สตถาคตพึงรับเพราะเหตุนั้นแหละอนอน์เรื่องนี้เป็นการทําไม่ดีเป็นความผิดพลาดของเถอผู้เดียวหมายค่ะว่าแม้อะเคราะให้ในายให้แบบเตือนตั้ง16ครั้งนะพระพุทธเจ้าให้ในายตั้ง16ครั้งแต่ครั้งสองครั้งก็ยังว่า10ครั้งก็ค่อยอยังชั่วนี้ตั้ง16ครั้ง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 ไม่ชาติถาคตจักปรินิพานจากนี้ล่วงไปสามเดือนตถาคตจักปรินิพานตถาคตจักกลับคืนคําพูดสิ่งนั้นเพราะเหตุแห่งชีวิตอีกนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เรียกว่าสละขันสละชีวิตไปแล้วที่จะกลับมาเรียกเอาคืนอีกบอกไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มาเถิดอ น, นุนเราเข้าไปยังกูตาคารศาลาป่ามหาวัน ส่วนรายละเอียดคำอธิบายก็เป็นวันต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นี่นะ